วิญญาณกรุณาโดยทอเลียงพิบู์จากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มสองเรื่องที่ข้าพระเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2512ได้มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเที่ยวถามหาทายาทของตระกูลรัตนกิจและบังเอิญเพื่อนของข้าพระเจ้าได้เดินทางไปต่างประเทศในระยะหนึ่งยังไม่กลับ ชายผู้นั้นกลับไปเพราะความผิดหวังได้ความว่าชายผู้นั้นมุ่งหวังจะพบกับทายาทเพื่อจะสมณาคุณและมีเรื่องพิสดารและอัศจรรย์แล้วชายผู้นั้นก็ได้เล่าเรื่องฝากไว้กับผู้ที่ชอบพอกับเพื่อนข้าพเจ้าจนบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชายผู้นั้นอยู่ที่ตำบลไหนเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องแปลกประหลาดก็ไปหาเพื่อนเพื่ออยากทราบเหตุผลของเรื่องนี้ ก็ได้เรื่องมาพิจารณาเรียบเรียงติดต่อกันขึ้นและหลายท่านก็ติดตามอ่านในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคงจะได้อ่านและจำเรื่องที่61ได้ในใต้ชื่อเรื่องว่ามาร้ายไปดีซึ่งเรื่องนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลแต่งเป็นบทละครใจ ช, ชื่อว่าลูกสาวเจ้าบ้านข้าพเจ้าก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านแทรกความแยบคายไว้น่าดูมาก ข้าพระเจ้าได้ส่งบทละครไปให้ทายาทของท่านอ่านก็ทราบว่าพอใจมากทายาทของท่านได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้ให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านเจ้าของบ้านในเรื่องมาร้ายไปดีเมื่อท่านยังมีชีวิตก็ได้สร้างความดีไว้มากมายเมื่อท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมนุษย์ทุกรูปนามไม่มีใครหนีพ้น เมื่อรู้ตัวว่าใกล้จะจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้สั่งภรรยาและบุตรว่าท่านเองไม่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องผจนกับความทุกข์ยากลำบากหนีไม่พ้นไม่เคยมีความสุขสบายอันแท้จริงเลยเวลานั้นท่านอยู่รักษาตัวในพระนครท่านจึงบอกว่าอยากจะกลับไปตายที่บ้านที่เมืองกาญจน บ, บุรีหากว่าท่านได้ตายแล้วขอให้นาศพขึ้นไปฝังไว้บนภูเขา เมื่อภรรยาและบุตรทราบความประสงค์ของท่านหลังจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2474ท่านได้ถึงแก่กรรมลงที่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าภาพก็ได้จัดการตามที่ท่านได้สั่งไว้ทุกประการคือสร้างที่ฝังศพไว้บนภูเขาในกิ่งอำเภอบ่อพลอยขึ้นกับอำเภอพนมทวนในสมัยนั้นเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างพวกบุตรและภรรยาญาติพี่น้องก็เดินทางเข้ามาในพระนคร ต่อมาสองปีนี้คนทางเมืองกาญจนบุรีได้ส่งข่าวมาให้บุตรหลานของท่านได้ทราบว่าที่ฝังศพของท่านนั้นมีผู้ไปเคารพมากและเกิดโชคลาภแก่ผู้ที่ไปเคารพ บ, บูชาและมีคนใจชั่วร้ายได้ไปขุดทําลายหลุมฝังศพของท่านหวังว่าจะได้ทรัพย์สมบัติที่ฝังรวมกันอยู่ในหลุมรวมกับซากของท่านแต่คนร้ายใจชั่วก็ไม่ได้อะไรมีค่าไปเลย ทำให้ที่ฝังศพได้รับความเสียหายพวกทายาททางพระนครเมื่อได้ทราบความต่างก็ร้อนใจอยากจะไปตรวจดูความเสียหายมากน้อยเท่าใดแค่ไหนและได้จัดการซ่อมแซมบุรณะที่ฝังศพให้ดีขึ้นบุตรสาวของท่านได้บอกว่าเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมลงก็ได้นำแหวนวงหนึ่งซึ่งเป็นพลอยเมืองการที่ท่านชอบของท่านใส่ลงไปในปากศพและได้ฝังลงไปพร้อมกับร่างของท่านเมื่่อพวกลูกหลานได้ตกลงว่า จะเดินทางไปที่ฝังศพ บ, บนเขาบ่อพลอยเมืองกาญจนบุรีเพื่อซ้อมแซมบูรณะให้ดีทั้งได้ชวนท้าพระเจ้าให้เดินทางร่วมไปเที่ยวด้วยแต่บังเอิญข้าพเจ้าหาเวลาว่างไม่ได้จึงไม่ได้ไปเมื่อก่อนบุตรหลานจะออกจากกรุงเทพท่านได้มาเข้าฝันว่าพวกผู้ร้ายที่มันขุดศพหวังสมบัตินั้นไม่ได้อะไรไปเลยท่านยังได้บอกว่าแหวนที่ใส่ปากศพนั้นก็ยังอยู่พวกผู้ร้ายเอาไปไม่ได้เวลานี้ก็ยังอยู่ข้างหลังซากศพของท่านทับเอาไว้ เมื่อได้ไปถึงก็พิจารณาแล้วก็ได้จัดช่างมาซ่อมแซมบูรณะที่ฝังศพให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมและป้องกันผู้ร้ายที่จะมาขุดต่อไปก็ปรากฏว่าทุกสิ่งเหมือนดังที่ท่านบอกไว้ในฝันทุกอย่าง เมื่อได้บุรณะที่ฝังศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกลูกหลานก็ได้สบายใจพวกชาวบ้านก็พากันไปขอลาบเพราะเมื่อสมัยปีพุทธศักราช2454เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้ขอพระราชทานประธานบัตรทำเหมืองพลอยที่กิ่งอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจน บ, บรุรีท่านได้รับการยกย่องสร ร, รเสริญแก่ผู้รู้จักคุ้นเคยต่อไปว่าท่านเป็นผู้อบอ้อมอารีมีจิตใจเมตตาการุณาแก่คนทั่วไปในเขตที่ท่านอยู่และผู้เดิน ทางทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักท่านก็ต้อนรับให้ได้อาศัยบ้านของท่านเป็นที่พักพิงทั้งเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารให้ความสะดวกสบายเหมือนสาลาพักร้อนให้ความร่มเย็นเพราะสมัยก่อนสัตว์ป่า ท, ที่ดุร้ายชุกชุมทำอันตรายแก่ผู้เดินทางเสมอการให้ที่พักอาศัยค้างแรมย่อมเป็นกุศลอันสูงสุด แม้แต่พวกโจรตั้งใจไว้ว่าจะคอยปล้นก็กลับใจเพราะความดีของท่านเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมลงแล้ววิญญาณที่มีคุณธรรมสูงก็ยังคงช่วยพวกชาวบ้านที่ไปขอความช่วยเหลือดับความยากจนลงได้แต่พวกทายาทบุตรหลานก็มิได้สนใจเพราะบุตรหลานของท่านล้วนแต่มีฐานะดีด้วยกันทุกคนจึงไม่มีใครสนใจว่าท่านได้ช่วยเหลือดับร้อนแบบไหน เมื่อต้นปีพุทธศักราช2512นี้เพื่อนข้าพระเจ้าผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวตระกูลรัตนกิจนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศเมื่อกลับมาจากต่างประเทศก็ได้ทราบความว่าผู้มาติดตามทายาทของครอบครัวตระกูลรัตนกิจได้พยายามสืบหาเมื่อมีผู้ถามหาว่าติดตามเพราะเหตุใดมีธุระร้อนหรือไม่ ผู้ที่ติดตามสืบหาทายาทของท่านก็ได้ทราบว่าเป็นชาวเมืองกาญจนบุรีเดิมได้ลงทุนทำการขุดพลอยแต่ก็ผิดหวังไม่ได้ผลไม่พอกับการใช้จ่ายค่าครองชีพล่าสุดยากจนกำลังหมดตัวนึกถึงบนภูเขามีที่ฝังศพซึ่งร่างของท่านผู้นี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนใจบุญเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลที่รู้จักทั่วไป ฉะนั้นเมื่อชายผู้นี้ได้ทราบกิตติศัพท์ก็ค้นหาสถานที่ฝังศพของท่านบนภูเขาจนพบแล้วก็ได้ไปกราบไหว้อ้อนวอนให้ท่านช่วยนะคะเพราะว่าเวลานั้นกําลังเข้าตาจนมีชีวิตอยู่ในความยากจนมีชีวิตอยู่ในความลําบากแม้ว่าจะพยายามอดทนทํางานเหน็ดเหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาดค่ะก็ยังต้องตกอยู่ในความยากจนตัวก็มิมิได้เกียจคร้านอะไรมิได้เลือกงานหนักงานเบาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะก็รู้สึกว่า ตัวเองเกิดมาอาภัพแม้จะขยันขันแข็งอดทนก็ยังเอาตัวไม่รอดค่ะไม่สามารถจะยกฐานะให้พ้นจากความยากจนไปได้ก็เลยไปกราบไหว้ที่หลุมฝังศพของท่านขอให้ดวงวิญญาณของท่านเนี่ยช่วยเหลือให้พ้นจากความจนความทุกข์ความยากด้วย ต่อมาในคืนนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ฝันเห็นชายสูงอายุผู้หนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าเองเนี่ยไปขอให้ข้าช่วยเหลือนั้นข้าก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเองมันเป็นคนซื่อฉะนั้นเองจงฟังข้าและจดจำไว้ให้ดีนะการที่เองเที่ยวขุดพลอยที่เองขุดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหนื่อยเปล่าไม่มีอะไรหรอกอย่าขุดต่อไปเลยย้ายขึ้นไปหาที่ใหม่ เองจงเดินขึ้นไปตามลำธาร น, น้ำไหลและที่นั่นเองจะพบต้นไม้ที่มีเครื่องหมายกากระบาทไว้ที่ต้นมะขามป้อมอยู่กลางต้นแล้วเวลาเช้าเงาออกไปสักสี่อกข้างลำธารแล้วก็ขุดลงไปพอที่จะแก้ความยากจนของเองได้ เมื่อชายผู้นั้นตื่นขึ้นมาก็จำข้อความในฝันได้แม่นยำค่ะแล้วก็รุ่งเช้าก็ไม่อยู่รอช้าถือเครื่องมือออกเที่ยวหากำหนดเวลาที่ท่านผู้นั้นบอกไว้ในฝันอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดค่ะตรงกับความฝัน ก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตน่าอัศจรรย์จริงๆไม่มีอะไรผิดหรือว่าเคลื่อนคลาดไปจากคำบอกเล่าของวิญญาณท่านจึงรีบขุดตามที่กำหนดเมื่อเงาต้นไม้ทอดเวลาเช้าพระบินทบาทกลับวัดเป็นที่สังเกตนะคะที่สุดก็ขุดลงไปเพียงหน้าดินตื้นๆก็พบก้อนหินแร่ประหลาดก้อนหนึ่งเมื่อได้มาก็นาไปให้ผู้ชนานาญได้ตรวจดูก็ปรากฏค่ะว่าเป็นพลอยอย่างดีถ้าเจรไนแล้วก็ได้พลอยน้าดีไม่ต่ากว่า22กรัมค่ะ นับได้ว่าผลจากความยากจนได้อย่างน่าประหลาดนี่ก็เป็นเหตุต้องให้ชายผู้นี้เดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อสืบหาผู้เป็นทายาทของท่านนะคะตั้งใจว่าจะสมนาคุณ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกับทายาทของท่านนี่ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าน้ําใจชายที่ยากจนได้รับความยากลําบากแต่ว่ามีจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกะตะเวทีนึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้ช่วยเหลือให้พ้นจากความยากจนตนเองก็ยังอยากสนองบุญคุณโดยสืบหาทายาทอุตสาหพยายามหาด้วยตัวเองค่ะไม่คิดถึงความยากลําบากจนไปสืบพบผู้รู้จักคุ้นเคยกับผู้เกี่ยวดองกับท่านเข้าแต่ว่าบังเอิญค่ะ ท่านเดินทางไปต่างประเทศข้าพระเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าจะพิจารณาดูเหตุผลให้ซึง้งก็เห็นได้นะคะ ว, ว่าวิญญาณของท่านได้ตกลงที่จะบอกลาบให้ผู้ใดก็ย่อมจะเลือกแล้วค่ะว่าผู้นั้นเป็นผู้ซื่อสัตย์หากินสุจริตและก็มีหลักถือความกระตันยูเป็นที่ตั้งได้ดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเรื่องหนึ่งค่ะ หากท่านที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องที่61แล้วโปรดย้อนไปอ่านในมาร้ายไปดีได้ก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ยังมีอยู่ในโลกนี้อีกมากมายข้าพเจ้าจึงได้นำมาเขียนขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อไป